วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของสัทธาญาิโยมพุทธบริษัทเพื่อมีจิตศรัทธาภัสสาทธามีความเชื่อความเลื่อมใส ในพระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระธรรมคำสั่งคำสอนและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นวันหยุดทำงานเลยใช้วันหยุดทำงานนี้มาวาัดกันเพราะ ในสมัยพุทธกาลวันหยุดทำงานก็คือวันพระนั่นเองแต่สมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานถ้ายึดวันพระตามจันทรคติคือวันขึ้นแรม8ดค่ำสิบห้าค่าก็จะบางครั้งไม่ตรงกับวันหยุดทำงาน ก็จะไม่ได้มาวาัดกันในสมัยปัจจุบันชาวพุทธเราเลยต้องปรับวันพระกันใหม่ให้ถือวันที่หยุดทำงานนั้นเป็นวันพระถึงจะได้มีเวลามาวาัดกันได้เพราะการมาวัดนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เข้าวัดกันเพื่อที่จะได้มาศึกษาวิธีหาความสุขทางจิตใจแทนการหาความสุขทางร่างกายเพราะร่างกายนี้จะมีวันเสื่อมไปเรื่อยๆจะค่อยสดโสูญไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วต่อไปความสามารถในการหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนต่อไปก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้แต่ถ้าได้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆเข้ามาศึกษาวิธีหาความสุขทางจิตใจ ว่าหาได้อย่างไรพอได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติไปหัดทำหัดสร้างความสุขทางใจถ้ามีการเรียนมีการหัดทำกันอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถหาความสุขทางใจได้ด้วย พอเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้ก็ยังสามารถมีความสุขได้ด้วยการหาความสุขทางใจนี่คือความสำคัญของวันพระเพราะว่าถ้าไม่มีวันหยุดก็จะมาวัดไม่ได้และที่เดียวในโลกนี้ที่จะสอนวิธี หาความสุขทางใจก็คือที่วัดของพระพุทธศาสนานี่เองนี่แหละความสำคัญของวันพระที่เราเรียกว่าวันธรรมสวรรคแปบลบว่าวันฟังธรรมเพราะก่อนที่เราจะรู้จักวิธีหาความสุขทางใจได้เราต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้รู้จากวิธีหาความสุขทางใจได้อย่างสมบูรณ์ถ้าได้เรียนได้ศึกษาจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มร้อยเมื่อหาความสุขทางใจได้เต็มร้อยแล้ว ก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะว่าการที่มาเกิดใหม่ก็เพราะว่ายังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่นั่นเองยังต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัต่างๆนั่นเองการจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑได้ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาทำหน้าที่แทนร่างกายอันเก่าที่ตายไป ก็จะมีการเกิดอยู่เรื่อยๆเนื่องจากร่างกายแต่ละร่างกายนี้ก็ไม่เป็นร่างกายที่ถาวรร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายตามมาเสมอการหาความสุขทางร่างกายจึงมักจะ กลายเป็นการหาความทุกข์ไปในที่สุดเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ต้องใช้ร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นต่อไปเมื่อเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย และเวลาที่ร่างกายตายไปนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เคยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสมัยที่ยังไม่ได้ทรงบวชทรงเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ทรงอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆหาความสุขจากการมีประสาทสามฤดู มีความสุขจากการดูการฟังมหรสพบันเทิงต่างๆมีความสุขจากการดื่มจากการรับประทานจากการละเล่นต่างๆแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ส่งไปเห็นร่างกายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือร่างกายของคนแก่ร่างกายของคนเจ็บและร่างกายของคนตาย พอทราบว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเป็นเหมือนคนแก่เป็นเหมือนคนเจ็บเป็นเหมือนคนตายความตกพระทัยก็เกิดขึ้นมาเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเนื่องจากพระราชบิดาทรงห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในพระราชวังนั่นเอง ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพราะทรงรู้ว่าถ้าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วจะทําให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความทุกข์ใจและจะคิดออกบวชต่อไปเนื่องจากตอนที่ทรงประสูติใหม่ๆ เจ้าชายสุโทโธทนะคือพระราชบิดาได้เรียกโหราจาร์มาทานายดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัธาราชกุมารโหราจารย์ทั้งหลายก็มีความเห็นเหมือนกันว่าถ้าอยู่ในเพศของขอราวาดผู้ครองเลือนก็จะได้เป็นพระมหาจกรพรบัดแต่ถ้าออกบวช ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีโหดาจารย์อยู่รูปเดียวที่มีความเห็นแย้งคือเห็นว่าจะต้องออกบวชเพียงอย่างเดียวเมื่อทรงทราบอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะว่ามีทิศ ท, ทางไปอยู่สองทางด้วยกันทางหนึ่งก็คืออยู่ครองราชเป็นมหาจักรพรรดิเอกทางหนึ่งก็ออกบวช เจ้าชายสุโทธทนะก็รู้ว่าจะต้องพยายามปิดทางที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนั่นเองและการที่จะทําให้เจ้าชายสิทธัตถะคิดจะออกบวชก็เพราะเมื่อเห็นความทุกข์ของร่างกายนั่นเองเห็นร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตาย เมื่อเห็นแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์ใจก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความคิดค้นหาวิธีกำจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้กำจัดความทุกข์ได้ก็คือการออกบวชเมื่อเจ้าชายพระราชนิดา รู้ความก็เลยพยายามปิดกัน้นไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังเพื่อไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจะได้ไม่คิดออกบวชแต่ความอยากรู้อยากเห็นของคนเป็นธรรมดาแม้แต่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถึงแม้จะมีความสุขสุดยอดอยู่ในวัง ก็ยังอยากรู้ว่านอกกำแพงวังนั้นมีอะไรอยู่บ้างก็เลยเด<น>ีออกไปดูเล็ดลอออกไปดูโดยมีมหาเล็กพาไปพอไ ป, อไปก็เลยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็ บ, เ ห, นน เ, จบเห็นคนตายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อรู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พระ อ, องค์ก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจขึ้นมาทันทีแล้วต่อปะต่อมาก็ได้เห็นนักบวชก็ทราบว่านักบวชเป็นผู้ที่ค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อทรงเห็นความจริงเหล่านี้แล้วก็ทําให้พระ อ, องค์นั้นคิดอยากจะบวช เพราะว่าถ้าไม่บวชต่อไปก็จะต้องเจอความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายอย่างแน่นอนจึงตัดสินพระไตยในคืนที่พระมเหสีขอดพระาราโชรสพอได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีขอดพระโอรสเจ้าชายสิทธัตถก็สรงอุทานขึ้นมาว่าราหุนราหุนนี้แปลว่าบ่วง บ่วงที่จะรัดคอของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้ออกบวชนั่นเองเพราะความผูกพันของผู้เป็นบิดากับบุตรนี้มีความผูกพันอย่างแรงกล้าพอรู้ปั๊บก็ส่งอุทานว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วราหุนเกิดขึ้นแล้วชื่อของพระโอรสเลยได้ชื่อว่าราหุนพอรู้ว่ามีบ่วงแล้ว ถ้าไม่รีบถอดบ่วงออกในตอนที่เพิ่งมาเริ่มคล้องคอต่อไปก็จะไม่มีทางที่จะถอดออกได้จึงได้ทรงตัดสินพระไทยในคืนนั้นเลยว่าจะต้องออกจากวังเพื่อไปบวชโดยที่ไม่บอกใครในเวลายามค่ำคืนายามดึกดื่นในคืนนั้น เจ้าชายสิทธัตถะก็สะละราชสมบัติออกเดินทางจากพระราชวังไปโดยมีมหาดเล็กตามไปส่งที่ชายแดนพ อ, อถึงชายแดนก็ท่งเดินทางต่อไปโดยลําพังให้มหาดเล็กนำมาม้ากลับไปวังและไปนายงานให้ผู้ที่อยู่ในวางทราบต่อไป นี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าที่มีความสุขทางร่างกายของเจ้าชายต้องสละการหาความสุขทางร่างกายเพราะรู้ว่าอนาคตจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้นั่นเองจึงอยากจะไปหาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ต้องไปบวชไปเรียนกับพวกนักบวช ท, ทั้งหลายจนพอพระองค์ได้ทรงออกบวชได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็ท่งพบวิธีที่จะมีความสุขทางใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้แต่ในยุคนั้นสมัยนั้นรู้เพียงแต่วิธีชั่วคราว คือสามารถหาความสุขทางใจได้แต่ไม่ถาวรได้เวลาที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานระดับต่างๆเวลาใจเข้าฌานใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่สามารถอยู่ในฌานได้ตลอด24ชั่วโมงจะต้องออกมา เพราะมีร่างกายที่จะต้องคอยดูแลเวลาออกมาความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธิก็จะค่อยจางหายไปพระองค์จึงทรงมีความปรารถนาว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธินี้ไม่หายไปเวลาออกจากสมาธิมา เมื่อไปศึกษากับผ้ า, าจานต่างๆก็ไม่มีผ้ า, าจาน ร, รูปใดรู้รู้แต่วิธีเข้าฌานเข้ารูปฌปานเข้าอรูปฌปานแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากการเข้าฌานก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เอาเข้าตู้เย็นเวลาอยู่ในตู้เย็นน้ำก็จะเย็น พอเอาออกมาจากตู้เย็นถ้าทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นไว้สักระยะหนึ่งความเย็นของน้ําก็จะค่อยๆหายไปใจก็เหมือนกันใจที่เข้าฌานเข้าสมาธิก็เหมือนเข้าตู้เย็นเวลาเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิใจจะเย็นจะสงบจะมีความสุขมาก แต่พอออกมาจากฌานออกมาจากสมาธิใจก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มมีความวิตกมีความวงกังวลกลับคืนมาความวิตกความกังวลที่เคยมีอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ได้ถูกทำลายไม่ได้ถูกกาจัดไปด้วยการเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิเพียงถูกกดเอาไว้ ไม่ให้แสดงเท่านั้นเองแต่พอออกจากสมาธิมาก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาความวิตกความกังวลความห่วงใยความไม่สบายใจต่างๆก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีใครรู้วิธีว่าจะกำจัดความไม่สบายใจเหล่านี้ได้อย่างไรเวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิ พระองค์คือเจ้าชายเสียทัศนทที่ตอนนั้นเป็นสมณะโคโดมก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเองได้ส่งลองผิดลองถูกอยู่ในที่สุดก็ส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้ความสงบความสุขที่ได้จากสมาธินี้ไม่จางหายไป พอส่งคนพบว่าเหตุที่ทําให้ความสงบนี้หายไปก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความอยากที่จะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆก็จะทําให้เกิดความวิตกก็ ร, รู้ว่าโอกาสที่จะทําให้ร่างกายตายนี้มีอยู่ร่างกายจะตายได้ ทุกเวลานาทีจึงทําให้ผู้ที่อยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายมีความวิตกกังวลขึ้นมาร่างกายนี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทุกเวลานาทีคนที่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาคนที่ไม่อยากให้ร่างกายแก่ก็จะวิตกกังวล กรัวว่าร่างกายจะแก่ลงไปนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจคือความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเองอยากจะใช้ร่างกายให้ไปเป็นนั่นเป็นนี่ ทุกคนเกิดมาแล้วอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้หรอกว่าความอยากเหล่านี้นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความกังวลใจเวลาที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมชาติของร่างกายแล้ว พระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าร่างกายนี้ทําอย่างไรมันก็ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ได้ทําอย่างไรก็ห้ามมันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทําอะไรก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้พระ อ, องค์ก็เลยทรงเห็นความจริงของร่างกายและของสิ่งต่างๆที่ที่เป็นเครื่องมือหาความสุขนั้น ล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นของที่ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เสมอไปอาจจะห้ามได้บางเวลาสั่งได้บางเวลาแต่ในที่สุดจะสั่งให้ไม่เสื่อมไม่ได้จะสั่งให้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะสั่งให้ไม่ดับไม่ได้ของทุกอย่างในโลกนี้ เมื่อมีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญก็จะต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมาเปลี่ยนความจริงอันนี้ได้พอสงห็นความจริงก็เลยใช้ความจริงนี้มาสอนใจ ให้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อยอมรับได้ก็จะห้ามใจไม่ให้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เพราะสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบเป็นความสุขทดแทนได้ ก็ไม่ต้องก็สามารถหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายตายได้นั่นเองพอไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายตายหรือแก่หรือเจ็บไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ทุกข์กับความเสื่อมไม่ทุกข์กับการพัดพาก จากสิ่งต่างๆที่เป็นสมบัติไป น, น, นี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงรู้เหตุที่ทำให้ใจทุกเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็คือความอยากสามประการคือกามะตัญหาความอยากใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ภาวะตันหาความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความเป็นใหญ่เป็นโตเอหาความสวยความงามอและความพอพอต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆก็เลยทําให้เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมา ก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความกังวลใจเกิดความไม่สบายใจตามขึ้นมาแต่พอมองความจริงของร่างกายว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นธรรมดาของร่างกายไม่ว่าใครก็ไม่เปลี่ยนไม่สามารถเปลี่ยนความจริงอันนี้ได้ ถ้ายอมรับความจริงก็จะหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายได้เพราะเห็นว่าการใช้ร่างกายนี้จะต้องนำไปสู่ความทุกข์ทรมานใจต่อไปถ้าเลิกใช้ร่างกายได้ก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ต้องมีความสุขทางอื่นคือความสุขทางใจ ที่ผู้ที่ได้ฝึกฝนได้หัดนั่งสมาธิจนสามารถเข้าฌานระดับต่างๆได้ก็จะพบกับความสุขทางใจพอได้พบกับความสุขทางใจแล้วพอรู้ว่าวิธีที่จะทาให้ความสุขทางใจนี้ไม่จางหายไปก็คือให้เลิกหาความสุขทางร่างกาย เมื่อเลิกหาความสุขทางร่างกายก็จะเลิกความอยากาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาความเป็นใหญ่เป็นโตหาความร่ำรวยหาความสวยหาความงามต่างๆได้พอไม่ต้องใช้ร่างกายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปนี่คือการตัดสัรู้ของพระพุทธเจ้า คือส่งรู้วิธีที่จะหาความสุขทางใจได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่เข้าไปในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิและพอออกจากสมาธิถ้าสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วต่อไปไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะเมื่อ ไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเมื่อไม่มีความทุกข์ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาเองความสุขใจกับความทุกข์ใจนี้เป็นเหมือนเหรียญสองด้านเหรียญอันเดียวกันแต่เป็นเหรียญคนละด้านกันเหรียญ น, นี้มันจะหันขึ้นมาสองด้านพร้อมๆกันไม่ได้ ถ้าด้านหัวหันขึ้นมาด้านก้อยก็ต้องหันลงไปความสุขความทุกข์ใจก็เป็นเหรียญ น, นี่เองถ้าเราเพิกใจจากทุกมันก็จะกลายเป็นสุขขึ้นมาถ้าเราเพิกใจจากสุขมันก็จะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเรากำจัดความทุกข์ใจได้ความสุขมันก็จะโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิ ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเรารู้ว่าการกำจัดความทุกข์นี่แหละเป็นการสร้างความสุขอย่างถาวรขึ้นมากำจัดด้วยการกำจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองพอทรงตัดสะลงและทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขทางใจ ที่ถาวรที่เต็มร้อยพระองค์ก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกต่อไปร่างกายจะแก่ก็เฉยเฉยร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยเฉยร่างกายจะตายก็เฉยเฉยคือเฉยแบบปรมังสุขขังเฉยแต่เต็มไปด้วยความสุขพอใจของผู้ที่ได้ชําละ ความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วจะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยบร ม, มสุขที่เราเรียกว่านิบานังปรามังสุขขังนิบานังก็แปลว่าพระนิพพานปรามังสุขขังก็คือบร ม, มสุขนิบานังนี้คือนิพพานนี้ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธินั่นเองใจที่ ได้ใช้สติใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจความสุขเต็มร้อยก็ปรากฏขึ้นมาความทุกข์ที่เคยมีอยู่เต็มหัวใจก็หายไปหมดนี่แหละเรียกว่าการตัดสู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อทรงรู้แล้วก็ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนตอนที่พระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นครั้งแรกแล้วเมื่อทรงรู้แล้วก็ทรงมีความการุณาความสงสารในสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันนี้จึงได้ทรงอุทิศเวลาที่เหลืออยู่ ประมาณสี่สิบห้าปีเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดความเลื่อมใสก็จะน้อมนาเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับที่ปรากฏในพระไตยของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวก มีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนมากเป็นผู้ที่สําเร็จเป็นผู้ได้ค้นพบความสุขทางใจเป็นผู้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเป็นพวกที่ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปพระสาวกเหล่านี้ก็มาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าตามลําดับ พราสลีละร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นสลีละร่างกายเหมือนคนทั่วๆไปคือไม่เที่ยงอนิจจังเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายพออายุได้แปดสิบพรรษาร่างกายก็ถึงแก่ความตายไปแต่พระสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็มาทำหน้าที่แทน เอาความรู้อันประเสริฐเลอโลกนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปมาจนถึงปัจจุบันนี้มาถึงยุคของพวกเราพวกเราก็เป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องของความทุกข์ใจความสุขใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรดับได้อย่างไรเพราะในสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้ ไม่มีที่ไหนสอนเรื่องของการสร้างความสุขใจเรื่องของการดับความทุกข์ใจต่อให้ไปเรียนในสถาบันการศึกษาระดับหนึ่งของโลกเรียนจบระดับปริญญาเอกก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ใจได้แต่ถ้ามาเรียนจากพระพุทธศาสนานี้สามารถที่จะกำจัดได้ ภายในกรอบเวลาที่ได้ทรงได้ได้แสดงไว้ด้วยซ้ําด้วยคือถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนะถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีขึ้นอยู่ที่ความสามารถของสติปัญญาที่จะเรียนรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติควบคู่กับความเพียรความขยันหมั่นเพียรความอดทนที่จะต้องมี ในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ปรากฏขึ้นมาดังนั้นสิ่งแรกสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายก็ต้องมาหัดหาความสุขทางใจกันมาหัดเลิกใช้ความสุขทางร่างกายเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข แล้วมาหัดหาความสุขทางใจถ้ามาหัดไม่ช้าก็เร็วก็จะรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจได้เพราะการกระทำอะไรก็ต้องอาศัยการหัดการฝึกฝนคนเราเกิดมาก็ว่ายน้ำไม่เป็นกันแต่ถ้าไปหัดว่ายน้ำไม่นานก็ว่ายได้ อยากขี่จักรยานก็ไปหัดขี่ได้อยากขับรถยนต์ก็ไปหัดขับได้แต่ถ้าไม่หัดไม่เรียนก็จะไม่มีวันทําได้ถ้าอยากถ้าไม่เคยหัดว่ายน้ําต่อให้อยู่ไปจนถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีก็ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ถ้าหัดว่ายน้ําไม่กี่เดือนไม่กี่ครั้งก็ว่ายได้หัดขี่จักรยานไม่กี่ครั้งก็ขี่ได้ หัดขับรถยนต์ไม่กี่ครั้งก็ขับได้ฉันใดถ้ามาหัดหาความสุขทางใจก็สามารถทำได้พระพุทธเจ้ารับรองทำได้ภายในเจ็ดวันในเจ็ดเดือนหรือในเจ็ดปีถ้ามีศรัทธาความเชื่ออย่างแรงกล้าถ้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าถ้ามีสติปัญญาที่สามารถจะเรียนรู้วิธีการ หาความสุขทางใจตามคําสั่งคําสอนได้ทุกคนนี้สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เป็นผู้ที่หาความสุขทางใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายต่อไปได้อยู่ที่ผู้ศึกษาพูดปฏิบัติเท่านั้นเพราะผู้สอนนี้พร้อมบริบูรณ์เต็มร้อย พระพุทธเจ้านี้สอนอย่างเต็มร้อยพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกก็สอนอย่างเต็มร้อยพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็สอนอย่างเต็มร้อยไม่ได้เก็บความรู้ไว้ไม่มีซ่อนความรู้เอาไว้มีเท่าไหร่เอาออกมาสอนหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงไม่สมวนไม่เก็บไว้ เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสมวนต้องเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้สอนนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้แล้วเพราะผู้สอนนี้ไม่จําเป็นต้องศึกษาอีกแล้วจึงไม่หวงวิชาความรู้มีเท่าไหร่ก็สอนอย่างเต็มที่ดังนั้นผลจะเกิดไม่เกิดนี้อยู่ที่ผู้ศึกษา ว่าจะมีความศรัทธามากน้อยเพียงไรมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามมากน้อยเพียงไรเท่านั้นถ้ามีศรัทธาเต็มร้อยก็จะทุ่มเทไว้ล้างเวลาเต็มร้อยให้กับการสร้างความสุขทางใจถ้ายังมีแค่ 50%, 50% ยังมีศรัทธาในการหาความสุขทางร่างกาย กับมีศรัทธาหาความสุขทางใจเขายังอยากได้ทั้งสองทางทางร่างกายก็ยังอยากได้ออทางใจก็อยากได้ออมันก็จะได้แบบห้าสิบห้าสิบไม่สามารถได้อย่างเต็มร้อยออถ้าอยากจะได้อย่างเต็มร้อยนี้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งออแต่ในเบื้องตน้นย่อมเป็นธรรมดาที่จะไม่สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งได้เลย เนื่องจากอินทรีย์ความสามารถของจิตใจที่จะไปเรียนทางใหม่นี้ยังมีไม่มากพอจึองจำเป็นต้องค่อยสร้างอินทรีย์ไปตามลำดับสร้างศรัทธาขึ้นมาตามลำดับด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาถึงผลต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมา เมื่อเห็นผลต่างๆอันเลิศอันประเสริฐที่จะปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเมื่อมีศรัทธาเพิ่มขึ้นก็จะมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นพอมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นก็จะมีผลปรากฏขึ้นมาเพิ่มขึ้นพอได้สัมผัสกับผลที่เย็นที่สบายที่เบาที่มีความสุขมาก ก็จะทำให้เกิดมีศรัท ธ, ธาเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับตอนต้นอาจจะมีเพียงร้อยละสิบต่อไปก็จะเพิ่มเป็นร้อยละยีสบร้อยละ 30. แล้วในที่สุดก็จะเพิ่มเป็นเต็มร้อยคยมีศรัท ธ, ธาในการหาความสุขทางร่างกายมากน้อยเพียงไรก็จะหายไปหมด มีแต่ศรัทธาที่จะให้กับการหาความสุขทางใจอย่างเต็มร้อยก็จะไปอยู่วัดอย่างเต็มร้อยอยู่อย่างถาวร อ, อยู่แบบนักผวดพอได้มีศรัทธาเต็มร้อยมีการปฏิบัติเต็มร้อยแล้วผลที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะเกิดก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่เจดวันก็เจ็ดเดือน ไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับผลจากการปฏิบัติคือจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจได้ได้เต็มร้อยนี่คือเรื่องของวันพระเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธที่ทำไมจึงต้องเข้าวัดเพราะว่าถ้าไม่เข้าวัดจะไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจ ถ้าไปอยู่ที่อื่นอยู่นอกวัดนี้ไม่ว่าจะไปมุมไหนไปที่ไหนจะมีแต่การหาความสุขผ่านทางร่างกายทั้งนั้นออกจากวัดเลี้ยวซ้ายก็มีโรงภาพยนตร์นะออกจากวัดเลี้ยวขวาก็มีร้านอาหารตรงไปก็มีสถานบันเทิงต่างๆมีศูนย์การค้ามีขายสินค้าอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องของความสุขทางร่างกายทั้งนั้นไม่มีจุดไหนเลยไม่มีด้านไหนเลยทิศทางไหนเลยที่พอออกจากวัดไปแล้วจะมีสอนวิธีหาความสุขทางใจกันต้องมาวัดเท่านั้นเมื่อมาวัดแล้วก็จะได้เรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เรียนจากพระไตรปิฎก หรือจากพระอริยสงสาวกก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำที่ถ้านำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ผลทันทีแต่ถ้าไปเรียนจากแหล่งอื่นแหล่งที่ยังไม่รู้จริงเห็นจริงโอกาสที่จะหลงทางก็มีได้เพราะผู้รู้นี้ยังไม่รู้ทางจริงยังเป็นผู้หลงทางอยู่นั่นเอง ผู้ไม่หลงทางนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงผลแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุถึงผลเพียงแต่รู้ทางแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่รู้ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วจะได้ผลหรือไม่ก็จะไม่สามารถสอนให้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำเหมือนกับผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วผู้ที่ได้เห็นผลแล้วดังนั้นจึงต้องไปวัด มาวัดพราวัดนี้เป็นที่อยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองพอมาวัดก็จะได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะพอได้ยินได้ฟังได้อ่านก็จะได้เรียนรู้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขทางใจพอเรียนรู้เสร็จก็ให้เอาไปปฏิบัติเลยไม่ต้องเรียนมากเพราะ วิธีหาความสุขทางใจนี้ไม่ยากไม่ลึกลับซับซ้อนมีเพียงสามขั้นตอนเท่านั้นเองขั้นตอนที่หนึ่งก็ให้ทำทานขั้นตอนที่สองก็ให้รักษาศีลขั้นที่สามก็ให้ภาวนาเพียงรู้แค่สามขั้นนี้ก็พอแล้วแต่ จ, จ้าต้องหัดเรียนรู้รายละเอียดว่าทำทานนี้ทำอย่างไร ทำทานทานแปลว่าการให้ให้อะไรให้ข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ที่เรามักจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดที่เป็นโทษกับจิตใจแทนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจกลับไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดโทษกับจิตใจ สิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจคืออะไรก็คือการใช้เงินตามความอยากต่างๆนี่เองใช้เงินตามความอยากอยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากดูอะไรก็ซื้อมาดูอยากฟังอะไรก็ซื้อมาฟังอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นการใช้เงินแบบนี้มันเป็นการเสริมสร้างตันหาความอยาก สนับสนุนความอยากหรือให้เจริญงอกงามมากขึ้นไม่ได้ลดความอยากให้น้อยลงความอยากนี่แหละเป็นเป้าหมายของการสร้างความสุขทางใจเราต้องกาจัดความอยากต่างๆถ้าเรายังใช้เงินทองในการสนับสนุนให้ความอยากเจริญเติบโตเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินทอง เราต้องการใช้เงินทองเพื่อให้เรามีความสุขแต่ความสุขที่เกิดจากการใช้เงินทองนี้ก็มีสองแบบแบบที่มีโทษกับแบบที่ไม่มีโทษแบบที่มีโทษก็คือใช้ตามความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ซื้อมาเดินไปตามห้างเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นของอะไรต่างๆที่ชอบก็ซื้อมาก็จะได้ความสุขแต่เป็นความสุขเดียวว ความสุขที่ได้มาปุ๊บก็จางหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแทนพอซื้อกระเป๋าแล้วเดี๋ยวไปเห็นรองเท้าก็อยากได้ขึ้นมาอันนี้มันจะทําให้ความอยากนี้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นปัญหาต่อไปเวลาที่อยากแล้วไม่มีเงินทองที่จะใช้ตามความอยากพอตอนนั้นแล้วความทุกข์ก็จะมา สมหัวใจทันทีพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เอาเงินที่จะใช้กับความอยากต่างๆเหล่านี้เอาไปทำทานเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนจะดีกว่าเพราะการใช้เงินแบบนี้ไม่มีโทษเพราะไม่ได้ทำตามความอยากทำด้วยความเมตตาทำด้วยความจำเป็น เราอยู่ในโลกอยู่ร่วมกันมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันดูแลกันเราก็อยากให้เขาช่วยเราแล้วเราไม่ช่วยเขาได้อย่างไรถ้าเรามีฐานะมีกําลังที่จะช่วยผู้อื่นได้เราก็ควรจะช่วยเขาถ้าเขามีกําลังมีฐานะที่จะช่วยเราได้เขาก็จะช่วยเราดังนั้นการทําบุญทําทานนี้ไม่ได้ทําด้วยความอยากทําด้วยเหตุผล ทำด้วยเมตตาการุณาการใช้เงินแบบนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเพราะไม่ได้ไปเสริมสร้างความอยากให้เกิดขึ้นพอทำแล้วความสุขใจอิ่มใจก็จะอยู่นานกว่าความสุขที่ได้จากการไปใช้เงินตามความอยากต่างๆเวลาใช้เงินตามความอยากพอไปคิดถึงสิ่งที่เคยซื้อหรือสถานที่เคยไปเที่ยว ก็จะทําให้เกิดความอยากซื้ออยากไปเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกพอเกิดความอยากใจก็จะรู้สึกทุรนทุรายขึ้นมาแต่เวลาทําบุญนี้ทําทานนี้เวลาผ่านไปนานสักเท่าไหร่เวลาคิดถึงทานหรือบุญที่ได้ทําความสุขก็ยังกลับคืนขึ้นมาใหม่อีกแล้วความอยากจะไปทําก็ไม่มีถ้าไม่มีทำก็ไม่เดือดร้อนอะไร นี่คือขั้นแรกที่จะต้องทำกันสำหรับผู้ที่ยังใช้เงินผู้ยังที่หาเงินอยู่หาเงินเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆว่าควรที่จะใช้เงินไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อจิตใจคือใช้ด้วยการทำบุญทำทานแล้วพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อย ต่อไปความอยากที่จะใช้เงินมันใช้เงินเพื่อตอบความอยากความต้องการของความอยากก็จะหายไปความอยากเที่ยวก็หายไปอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็หายไปอยากซื้อของแพงๆของหรูหราต่างๆก็จะหายไปเมื่อมันหายไปความจําเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทองก็ไม่มี ก็จะมีเวลาว่างที่จะได้ไปศึกษาไปวัดเพิ่มมากขึ้นไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปทำขั้นสูงต่อไปก็คือขั้นรักษาศีล น, นี่ก็จะมีเวลาไปรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดพอรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลาไปหัดภาวนาได้ไปอยู่วัดได้ ถ้ายัางใช้เงินใช้ทองตามความอยากอยู่ก็ต้องไปคอยหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยเอยมื่อต้องหาเงินหาทองเมื่อต้องใช้เงินใช้ทองตามความอยากก็จะไม่มีเวลาที่จะไปไปวัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้นี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติถ้ามีศรัทธาต่อเปนี้ต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงิน ถ้าอยากจะมีความสุขจากด้วยการใช้เงินให้ใช้ด้วยการทำบุญทำทานเถิดรับรองได้ว่ามีความสุขมากกว่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆอยากได้รองเท้าอยากได้กระเป๋าอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปดูมหรสผ บ, บันเทิงเอาเงินที่จะไปใช้กับพวกนี้มาทำบุญทำทานแล้วรับรองได้ว่าความสุข ที่ได้จะมากกว่าและความอยากที่จะมาคอยลบกวนใจจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆต่ อ, อไปถ้าเราไม่ตอบสนองความอยากด้วยการใช้เงินความอยากเหล่านั้นจะไม่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปจะไม่ชวนเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะไม่ชวนเราไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆจะชวนเราไปทำบุญทำทานอยู่ได้เลยจนในที่สุดเราก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินมากเหมือนเมื่อก่อนเราก็จะได้ไม่จะได้มีเวลาว่างที่จะไปวัดเพื่อที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้นี่คือเหตุข้อแรกทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนพวกที่ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ให้เลิกใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ผิดเอาเงินไปใช้ในทางที่ถูกก็คือเอาไปทำบุญทำทานแล้วจะทำให้ มีความสุขใจและไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากแบบไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยพวกนี้แหละที่จะไปบวชได้พวกที่เลิกใช้เงินใช้ทองพวกที่จะไปอยู่วัดได้อย่างถาวรก็คือพวกที่เลิกใช้เงินใช้ทองตามความอยากก็จะไปอยู่แบบนักบวชได้พออยู่แบบนักบวชก็จะมีเวลาที่จะได้ รักษาศีลได้เต็มที่ได้ภาวนาอย่างเต็มที่พอได้รักษาศีลอย่างเต็มที่ได้ภาวนาอย่างเต็มที่ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันดังนั้นขั้นแรกนี้ต้องผ่านขั้นทานก่อนสำหรับผู้ที่ยังใช้เงินใช้ทองหาความสุขตามความอยากต่างๆควรที่จะเปลี่ยนวิธีใช้เงินใช้ทอง ถ้าอยากจะมีความสุขเอาไปทำบุญทำทานดีกว่าเอาไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อของไม่จำเป็นได้ได้มาก็สุขเดียวเดียวแล้วไม่นานของนั้นก็ไม่มีความหมายดูที่ใดก็ไม่สุขเวลาอยู่ในร้านดูที่ใดแหมมันสุขเหลือเกินพอมาอยู่ที่บ้านแล้วดูแล้วเฉยเฉยไปแล้วสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆเท่านั้นเอง แล้วก็ยังมีความอยากจะซื้อใบใหม่ต่อถึงจะมีความสุขใบเก่ามันไม่ให้ความสุขแล้วก็ต้องซื้อใบใหม่รองเท้าคู่เก่าไม่ให้ความสุขแล้วก็ต้องซื้อคู่ใหม่เสื้อผ้าชุดเก่าไม่ให้ความสุขก็ต้องซื้อชุดใหม่ซื้อมากี่ชุดมันก็เหมือนกันให้ความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ให้ความสุขกับเราเองเราอย่าไปติดกับอันนี้ถ้าติดแล้วเราจะไม่มีวันที่จะมีเวลา ไปวัดไปปฏิบัติธรรมได้ไปภาวนาได้ไปรักษาศีลได้เราก็จะมัวแต่หาเงินใช้เงินไปจนวันตายนั่นเองพอเวลาแก่เวลาเจ็บก็จะไม่สามารถเอาเงินไปใช้เหมือนตอนที่มีร่างกายมีกําลังวังชาได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความเหงาความว้าเหวและบางครั้งถ้าอาจจะคิดถึงกับฆ่าตัวตายก็มีะ ถ้าไม่มีใครมาคอยให้กำลังใจมีใครมาคอยเป็นเพื่อนถ้าต้องอยู่ตามลำพังนี่แล้วมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความว้าเหว่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทาไมชาติที่จเจริญ น, นี้เขาทางวัตถุนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ตานที่เขามีกําลังวังชาเขาก็จะให้ ทุ่มเทเวิชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขตามความอยากต่างๆไม่สนใจกับผู้อื่นไม่อยู่กับใครชอบอยู่หาความสุขตามลาพังพอแก่ลงไปก็ไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันจน จนมีการพยายามผลักดันให้มีออกกฎหมายให้ค่าตัวตายได้โดยไม่ผิดกฎหมายให้หมอเป็นผู้ช่วยฉีดยาตายให้เนอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้เรื่องของความทุกข์ของร่างกายที่จะตามมาตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่จะตายไม่รู้ว่ามีวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ คือความสุขทางใจที่จะต้องเรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเท่านั้นผู้ที่มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่โชคดีเป็นผู้ที่มีโอกาสได้เรียนรู้แต่จะเรียนหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบางคนถึงมากจะเกิดในเมืองพุทธแต่กลับไม่ให้ไม่สนใจที่จะศึกษากลับไปศึกษาความรู้ ้างอื่นก็จะไม่รู้วิธีที่จะสร้างความสุขทางใจพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะทุกข์ทรมานใจมากแต่ผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาศึกษาและน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจขึ้นมาตามลําดับตามกําลังของการศึกษาตามกําลังของการปฏิบัติ เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาและใช้ความพยายามเพราะเป็นการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากการทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ทำอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีการฝืนมีการบังคับมีการพยายามมีการฝึกหัดถึงจะทำได้เช่นถ้าเราถนัดมือขวาถ้าเราอยากจะมาใช้มือซ้ายนี่ ตอนถ้าเราเริ่มใช้ตอนต้นนี้เราจะรู้สึกไม่ถนัดใช้ไม่อยากจะใช้แต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับมือขวาทำให้เราใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องบังคับให้มาหัดใช้มือซ้ายพอเรามาหัดใช้มือซ้ายใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายไม่ถนัด แต่พอหัดใช้ไปไม่นานเดี๋ยวมันก็สะดวกสบายถนัดเหมือนกับคนที่เขาถนัดมือซ้ายนั่นแหละคนที่ถนัดมือซ้ายนี่เขาก็ไม่ถนัดมือขวาเขาก็เหมือนกับคนมือขวาที่ไม่ถนัดมือซ้ายถ้าเขาต้องมาเปลี่ยนใช้เขาก็ต้องหัดพวกเราก็เหมือนกันพวกเราถนัดหาความสุขผ่านทางร่างกายกัน เรื่องความสุขทางร่างกายนี้ไม่ต้องสอนเลยเพียงแต่บอกเท่านั้นเถิะจะไปเมื่อไหร่เตรียมตัวไว้เลยเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยแต่ถ้าบอกให้ไปวัดนี่โอ้ต้องดูรายการก่อนเช็คดูตารางก่อนเยอะแยะไปหมดอุปสรรคปัญหาต่างๆนี่มีขวางกั้นไว้เยอะแยะไปหมดถ้าไม่มีความศรัทธาในการหาความสุข ทางใจแล้วยากที่จะไปได้ถึงแม้จะได้มาเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับความสุขทางใจแล้วจะเป็นที่พึ่งต่อไปได้เวลาที่ไม่สามารถพึ่งร่างกายได้แล้วก็ตามแต่พอถึงเวลาจะปฏิบัติเข้าจริงๆนี้มันจะมีกิเลสสมานมาคอยขัดคอยขวางอยู่เรื่อยๆ บางทีก็ร้อนไปบ้างบางทีก็หนาวไปบ้างบางทีก็เหนื่อยไปบ้างบางทีก็ม่วงนอนมีอะไรคอยมาขัดมาขวางผู้ที่จะไปทางนี้จึงต้องมีความพยายามมีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆวิธีฟันฝ่าอุปสรรคนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาจากผู้ที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วให้บอกว่าเวลาเกิด ปัญหาขึ้นมาจะทําอย่างไรเกิดอุปสรรคเช่นเกิดความง่วงขึ้นมาจะทํายังไงเอถ้าไปเรียนกับผู้ที่เขาผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่ากินให้น้อยๆสิกินน้อยมันก็จะไม่ง่วงหรือถ้าไม่กินเลยได้ยิ่งดีใหญ่เพราะอดแล้วนี่มันจะหิวแล้วมันจะนอนไม่หลับเลยให้มันนอนมันก็ไม่อยากจะนอนมันมันจะตื่นอยู่ตลอดเวลา อันนี้จะต้องอาศัยการเรียนรู้ไปเรื่อยเพราะเวลาเริ่มต้นก็ให้ดูเพียงแต่ก้าวแรกก็พอว่าต้องทำอย่างไรพอก้าวแรกไปแล้วไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคในก้าวที่สองที่สามก็ไปเรียนใหม่ไปสอบถามต่อไปเอา้าถึงตรงนี้แล้วทำไงดีเจอปัญหาตรงนี้แล้วผู้ปฏิบัตินี้ทุกคนนี้จะต้องเจออุปสรรคคือนิวรณิวร น, นี้ก็มีอยู่ห้าข้อเดยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือความลังเลยสงสัยว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้ก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาได้ผลแล้วเขาก็จะนอนยันยืนยันว่าได้ผลแนะ่ๆขอให้ทำไปเถอดใจเย็นๆตอนนี้ที่ไม่ได้ผลเพราะทำน้อยไปหรือยังทำไม่ถูกต้องมาพยายามทำไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้ผลเอง จะมีนิวรณ์มาขวางบางทีก็เกิดกามารมณ์เกิดกามฉันทะอยากจะไปดูหนังฟังเพลงแทนที่จะมานั่งสมาธิอยากจะไปดูละครจะให้ทำอย่างไรก็ต้องถือศีลแปดถือศีลพอถือศีลแล้วก็เราก็ต้องทำตามที่เราถือคือห้ามดูมหัศศพบันเทิงหรือถ้าถือศีลแล้วยัง อดการไม่ไหวก็ต้องไปอยู่ที่ไม่มีละครให้ดูไปอยู่ตามวัดที่เขาห้ามไม่ให้เปิดดูละครก็จะไม่มีละครดูไดนะ้นี่เป็นการเรียนรู้ที่จะต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่าไปเรียนรู้หมดทั้งตำราแล้วมาปฏิบัติเพราะเดี๋ยวมันก็ลืมเรียนอะไรมากเกินไปมันเดี๋ยวลืมหมดเอาให้รู้เท่าที่เราจาเป็นต้องรู้ดีกว่าครั้ น, นี้เราต้องําอะไร การรู้เท่านั้นก่อนพอทําไปแล้วสําเร็จแล้วขั้นต่อไปทําอย่างไรก็เรียนต่อไปอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่าไปเรียนหมดทั้งคำภีรแล้วค่อยมาปฏิบัตินะพอมาเริ่มปฏิบัติไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนใช่ไหมลืมไปหมดนะเรียนไปมากจนความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนกลับกลายมากับมีความสับสนในความรู้ที่ได้เรียนมาไป ให้เรียนตามขั้นตามตอนไปเรียนจากผู้รู้ผู้ที่มีประสบะการณ์แล้วจะไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วง่ายกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองตามลําพังจากหนังสือจากคัมภีร์ต่างๆเรียนรู้จากผู้ที่มีปร ะ, ประสบะการณ์นี้จะง่ายและรวดเร็วและไม่หลงทาง น, นี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราในวันหยุดธรรมทานธรรมหากินให้เราหยุด หาความสุขผ่านทางร่างกายหนึ่งวันหรือสองวันถ้าเป็นไปได้ถ้าหยุดสองวันเข้าวัดสองวันได้ก็เข้าทั้งสองวันไปหัไปฟังเทศฟังธรรมไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้ถ้ามีปัญหาที่ไม่ได้แสดงไว้ในธรรมก็สามารถถามได้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นี่คือความสำคัญของการเข้าวัดในวันหยุดทำงานขอให้เราถือวันหยุดทำงานของเราในยุคปัจจุบันนี้เป็นวันพระอย่าไปถือวันพระตามที่เขากำหนดไว้ในปฏิทินเพราะมันล่าสมัยซะแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือวันพระในสมัยนี้ไม่ตรงกับวันหยุดนานๆจะตรงสักครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเราถือวันหยุดเป็นวันพระนี่เราจะมีวันพระทุกอาทิตย์นเราจะได้เข้าวัดทุกอาทิตย์เราจะได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติทุกอาทิตย์แล้วความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับเราจะทําให้เรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเองจนในที่สุดก็อยากจะปฏิบัติอย่างเดียวไม่อยากจะทําอะไรอีกต่อไป เมื่อได้ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏเต็มร้อยขึ้นมาเมื่อได้ผลเต็มร้อยงานปฏิบัติก็หมดหน้าที่ไปต่อไปไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆก็มีปรมังสุขรั้งมาหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลาไปจนถึงวันตายละเลยวันตายไปไม่มีวันสิ้นสุด ใจที่เรียนจบแล้วปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ใจของพวกเราต่อไปถ้าได้ปฏิบัติตามก็จะเป็นอย่างนั้นจึงขอให้พยายามทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เถิดพยายามเอาวันหยุดนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเถิด แล้วความสุขจะเพิ่มมากขึ้นและความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปราปาริปุเรนติสากลัง เอวะเมวะยตทินังเปตาาังอุปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังเกปาเมวะสมิิตจโตสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธาเมณิโชติราโสยธาสัพพิติโยเววัชจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะนวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาธนาสิลิตะนิจังวุธาปจายโนยัตาารุธรมมวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเลิกประชุมแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตงดตอบคำถามถามได้ตอนนี้ตอนเดียววันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางเฟ e b ุ๊ k เข้ามาทั้งหมด232คน y o ย t u b บ251คนวิทยุออนไลน์22คนพุทธฟังบนเขา 262คนรวมทั้งหมด767คนครับผมถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากคุณพาสกรนะคะเวลานั่งสมาธิลมหายใจเบามากแต่กลาบมีเวทนารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะอะไรครับแต่ก่อนเวทนาจะเบาลง เพราะสติไม่ดีนั่นเองถ้าจิตไม่จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตใจจะออกไปรับรู้เวทนาพอไปรับรู้แล้วมันก็จะขยายเวทนาให้มันรู้สึกเจ็บมากขึ้นไปตามลําดับแต่ถ้าจิตใจมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธความเจ็บมันจะหดลงมันไม่มันจะไม่ขยายขึ้น เพระนัเวลนั่งสมาธิต้องมีสติมากๆถึงจะสามารถผ่านเวทนาได้ถึงจะเข้าสู่ความสงบได้นะนัพยา ย, ยามฝึกสติบ่อยๆเรื่อยๆไม่เฉพาะแต่เวลามานั่งเท่านั้นต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาไปหลับไปนอนพยายามมีสติอยู่กับพุทโธหรือยอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย กับการกระทาต่างๆของร่างกายแล้วเวลานั่งสมาธิจะมีสติที่ดีสติที่ต่อเนื่องแล้วจะไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณจิราพร์กราบเตียนถามว่าการรักษาศีลห้าในบ้านเคร่งครัดเฉพาะข้อสและข้อ5ส่วนข้อหนึ่ง ยังทำไม่ได้เพราะต้องทำความสะอาดบ้านอาจจะพลาดโดนมดมแมลงในบ้านบ้างแบบนี้บาปไหมเจ้าคะถ้าไม่มีความตั้งใจไม่บาปนะถ้าไมถ้ามีสติคอยระมัดระวังถ้าเห็นตัวมดมแมลงก็พยายามอย่าไปแตะอย่าไปต้องเขาก็จะไม่บาปแต่ถ้าทำเป็นแกล้งไม่เห็นนี้ก็ยังถือว่าบาปอยู่ <laughs> คำถามต่อไปจากคุณปฏิวัติกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอาชีพรับเช่าพระหรือเอาพระไปให้คนอื่นเช่าจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็เป็นเหมือนใครตุ๊กตาเนี่ยพระนี่ก็เป็นข อ, ของที่เราปั้นกันขึ้นมาเหมือนตุ๊กตาแล้วเราก็สมมุติว่าเป็นพระแล้วเราก็สมมติว่าครั้งอย่างนั้นครั้งอย่างนี้ขึ้นมา เป็นเรื่องของความเชื่อที่ไม่มีความจริงเป็นเครื่องสนับสนุนแต่อย่างใดงนั้นก็ถือว่าเป็นการค้าขายตามธรรมดาขายสินค้าอย่างอื่นขายพระก็เหมือนกันก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณพราวสมน์ตรวจขุนทศกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาทำสมาธิพอจิตสงบได้สักครู่เดียว จิตก็เริ่มฟุ้งค่ะช่วยชี้แนะวิธีที่จะทําให้จิตไม่ฟุ้งด้วยเจ้าค่ะก็เริ่มใหม่พอฟุ้งก็ต้องพุทโธต่อดูลมต่อเหมือนกนะันรถน่ยพอน้ํามันหมดก็ต้องเติมน้ํามันฮพอนั่งสมาธิจิตสงบก็แสดงว่ามีน้ํามันพอจิตเริ่มฟุ้งก็แสดงว่าน้ํามันหมดสติหมดก็ต้องเพิ่มสติขึ้นมาใหม่ต้องพยายาม มีสติอยู่เรื่อยจิตจะได้สงบได้นานๆพอฟุ้งก็พุทโธพุทโธสู้กับมันไปเดี๋ยวสักพักมันก็หายฟุ้งแล้วมันก็สงบต่อคำถามจากคุณนัทนันยอดนพก้าวผู้รู้ตัวหลังสุดเป็นยังไงเจ้าคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยคะ่ะ อ, อ๋อคือผู้รู้นี่มันอยู่ข้างหลังผู้คิดไงผู้คิดนี้จะบังผู้รู้ ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ผู้คิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทำนู่นทำนี่เราเลยไม่เห็นผู้รู้จะเห็นผู้รู้นี่เราต้องหยุดผู้คิดไม่ให้คิดพอไม่คิดปั๊บก็จะเห็นผู้รู้ซึ่งรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีผู้รู้เราจะทำอะไรไม่ได้ผู้คิดนี่เป็นผู้เสนอความคิดให้กับผู้รู้แล้วผู้รู้นี่แหละเป็นผู้อนุมัติให้ทำหรือไม่ทำ เรามันจะไม่เห็นตัวผู้รู้เพราะมักจะถูกบังด้วยผู้คิดเหมือนกับจอทีวีนี้มักจะถูกภาพบางบางเอาไว้ถ้าเราอยากจะเห็นจอทีวีเราต้องปิดภาพปิดโทรปิดทีวีพอปิดทีวีนี้เห็นจอเลยแต่ไม่มีภาพมาบังผู้รู้ก็คือจอทีวีดีๆเองส่วนผู้คิดก็คือภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นบนจอ ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดถึงคนนั้นก็เห็นภาพคนนั้นคิดถึงสิ่งนั้นก็เห็นภาพของสิ่งนั้นขึ้นมาพอหยุดคิดปั๊บก็จะหายไปหมดก็เหลือแต่ผู้รู้ปรากฏขึ้นมาจะให้หยุดคิดได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธินี่อพอมีสติแล้วก็คอยควบคุมความคิดได้พอความคิดหยุดคิดปั๊บผู้รู้ก็จะโผล่ขึ้นมา ที่เรียกว่าเอกคตาารมมีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้ปรากฏขึ้นมามคือความจริงมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่มันถูกความคิดบังเอาไว้ผู้รู้นี้มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับจอทีวีนี้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามักจะมองไม่เห็นตัวจอกันเราไปเห็นตัวภาพที่มาปรากฏอยู่บนจอฉันใดเราก็อยู่กับความคิดมาตั้งแต่ตื่นจนหลับเราก็เลยไม่เคยเจอตัวรู้ เราก็เลยไม่รู้จักตัวรู้ไม่รู้ว่าเรามีตัวรู้ไม่รู้ว่าเราเนี่ยคือตัวรู้ตัวที่อนุมัติให้ตัวคิดทําอะไรตัวคิดคิดอะไรตัวรู้เนี่ยเป็นผู้อนุมัติว่าจะให้ทําหรือไม่ให้ทำเช่นคิดจะมาวัดกับขึ้นจะไปเที่ยวเนี่ยตัวรู้นี่จะเป็นตัวตัดสินใจว่าไปไหนดีอไปเที่ยวอไปพอตัวรู้บอกไปมันก็จะไปเที่ยวทันที เอาตัวรู้บอกไม่ให้ไปมันก็ไม่ไปทันทีนี่คือตัวรู้ที่เรามักจะไม่รู้จักกันเรารู้จักแต่ตัวคิดแล้วเราก็เชื่อชอบตามทำตามความคิดของเราเพราะเราคิดว่าความคิดของเราพาเราไปหาความสุขกันแต่มักจะไปเจอความสุขที่มีก้างคือสุขมันสุกอยู่แต่มันมีก้างต่าปากอยู่เรื่อยๆต้องมาหัดคิดแบบพระพุทธเจ้าอะ อาศัยความคิดของพระพุทธเจ้าคิดแล้วเราก็จะได้คิดไปหาความสุขแบบไม่มีก้างได้มีความสุขบริสุทธิ์ความสุขที่ปราศจากความทุกข์ความคิดของเราตอนนี้เป็นความคิดที่หลงไม่ไม่ใช่เป็นความคิดที่พาไปสู่ความสุขที่ปราศจากความทุกข์เราต้องอาศัยความคิดของพระพุทธเจ้าพาคิดแล้วเราจะได้ไปหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมา คำถามต่อไปจากคุณทูมัยหลวงพ่อครับการเอาชนะกิเลสตันหาให้ขาดต้องทำอย่างไรครับก็ต้องมีทำสองตัวเป็นหลักคือสติและปัญญาแล้วก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีมีทานเป็นผู้สนับสนุน เป็นเครื่องมือสนับสนุนแต่ผู้ที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้ตายอย่างราบคาบต้องเป็นปัญญาต้องมีสติกับกับกับปัญญาฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนก่อนที่เราจะไปฝึกสปัญญาได้และก่อนที่เราจะมีเวลามาฝึกสติได้เราก็ต้องมีศีลมีทานก่อนทาบุญทาทานไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะไปรักษาศีล เมื่อมีเวลารักษาศีลเราก็จะมีเวลามาฝึกสติมาเจริญปัญญาตามลําดับต่อไปคําถามจากคุณนุยวิเชียนรัตแกราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งบริกรรมพุทโธพอบริกรรมพุทโธไปรู้ลมหายใจแล้วจะรู้สึกที่ลมหายใจชัดขึ้นคําบริกรรมก็จะไม่ค่อยบริกรรมแล้วไม่ทราบว่า ผิดหรือถูกเจ้าคะไม่ผิดหรอกใช้ได้ถ้าเราไม่ต้องใช้คำบริกรรมได้ดูลมเพียงอย่างเดียวได้ยิ่งดีใหญ่เพราะจิตจะได้ทำงานน้อยลงเมื่อทำงานน้อยลงมันก็จะสงบมากขึ้นถ้าทำงานมากมันก็จะสงบยากยิ่งนั้นถ้าเราหยุดบริกรรมดูลมแทนได้ก็ดูลมต่อไปดูเฉยเฉยไม่ต้องคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยเฉยว่ากาลังเข้าหรือกาลังออก จำละว่ามันสั้นมันยาวมันหยาบหรือละเอียดหรือไม่ต้องรู้ก็ได้ให้รู้เฉยๆว่ามันเข้ามันออกเพียงอย่างเดียวก็พอะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ว่ามันสั้นหรือยาวมันหยาบหรือละเอียดแต่ถ้ารู้ว่ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบรู้ว่ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดตามความเป็นจริงไปถ้ารู้อยู่อย่างนี้ไปมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอไม่คิดมันก็จะสงบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะนิ่ง เวลามันจะนิ่งนี้มันอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วมันก็จะสงบเข้าสู่ความสงบปล่อยวางลมไม่ไปรับรู้เรื่องลมต่อไปไม่ต้องตกใจให้รู้เฉยๆไปเวลาดูลมเวลาดูลมรู้สึกว่าลมหายไปอย่าตกใจให้รู้ว่ามันกำลังจะปล่อยลมจิตกำลังจะแยกออกจากลม จิตจะเข้าสู่ความสงบร่างกายเขาก็หายใจของเขาต่อไปเพียงแต่ว่าจิตไม่ไปรับรู้เรื่องของลมเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณสุภาชัยการทําทานเพราะเราอยากได้ผลตอบแทนจากทานนั้นความอยากนั้นจะถือว่าเป็นกิเลสไหมครับเป็นการทําทานนี่ไม่ต้องการให้ทําทานด้วยความอยาก ทำทานด้วยความไม่อยากได้รับอะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากผลของทานที่มีอยู่ในตัวของมันคือความอิ่มใจสุขใจความพอใจที่ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆที่จะแทนที่จะให้ความอิ่มความพอกลับจะทำให้เกิดความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคาถามจากบนเขา กราบเรียนถามเวลาเราใส่บาตรแล้วพระที่รับบาตรนั่งหรือยืนรับบิณฑบาตไม่เดินต่อท่านอยู่กับที่เรียนถามว่าข้อที่หนึ่งคนที่ใส่บาตรจะได้บุญหรือไม่อย่างไรได้เหมือนกันไม่เกี่ยวกับคนรับคนรับเขาจะรับแล้วไม่เดินต่อไปแลือเขาจะยืนอยู่ที่ก็เป็นเรื่องของเขาไป คนให้พอให้ไปแล้วก็ถือว่าได้บุญแล้วได้เสียสละแล้วได้ความสุขใจแล้วแต่คนรับเขาอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องยืนอาจพ่อมีคนอื่นจะรอใส่บาตรต่อก็ได้หรือว่าถ้าเดินไปที่อื่นแล้วไม่มีคนใส่ <c oughs> ก็ต้องยืนอยกับที่ <c oughs> ต้องยืนที่มีคนใส่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดจะผิดก็ต่อเมื่อเอาของที่ได้มาแล้วไปขายให้แม่ค้า ที่ยืนขายข้างๆอยู่แล้วแม่ค้าก็เอามาขายใหม่เวียนเทียนใหม่อย่างนี้เป็นการบินทบาทหาเงินไม่ใช่เป็นการบินทบาทเลี้ยงชีพการบินทบาทนี้ให้หาอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอได้จำนวนพอแล้วก็ควรจะกลับไปวัดไปฉันไปรับประทานแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ไปศึกษาพระธรรมไปปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ให้มาหาเงินหาทองเพราะเมื่อได้เงินทองแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในทางที่เสียหายได้เอไม่ให้หาเงินหาทองการบินทบาตให้หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอคิดว่าพอพอต่อการต้องการของร่างกายก็ให้กลับวัดได้แล้วถ้ามีเหลือก็ให้สละอาหารนั้นให้แก่ผู้ยากจนต่อไปผู้ที่ขาดแคลนต่อไปไม่ได้ให้หาเงินหาทอง ผู้บวช น, นี้ไม่มาหาเงินหาทองมาหาธรรมหาธรรมที่วิเศกษกว่าเงินทองเพราะเงินทองทาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้แต่ธรรมนี่แหละที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์และจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปคำถามข้อที่สองพระองค์นั้นจะได้กุศลเพิ่มหรือไม่อย่างไรครับคุณไพรจิตถาม ก็อยู่ที่ตัวท่านว่าท่านปฏิบัติถูกมั้หรือเปล่าถ้าท่านปฏิบัติผิดขัดต่อหลักธรรมก็มักจะเสียประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมก็จะได้ประโยชน์คำถามจากคุณสมสุมณชยัยกราบถามพระอาจารย์ค่ะเป็นผู้หญิงก็สามารถบรรลุโสดาบาันได้ไหมคะบรรลุแล้ว จะดับทุกได้ไม่ตกอบายภูมิอีกต่อไปใช่ไหมคะใช่ทุกคนนี่บรรลุได้ทั้งนั้นนะเพราะทุกคนมีจิตเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันสิ่งที่ทุกคนยังไม่มีคือธรรมคนที่บรรลุไม่ได้ก็คือคนที่ไม่มีธรรมจิตที่ไม่มีธรรมเท่านั้นเอง ถ้าจิตมีธรรมก็บรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นจิตของผู้หญิงจิตของผู้ชายจิตของเด็กจิตของผู้ใหญ่จิตของนักบวชหรือจิตของผู้ครองเรือนก็เป็นจิตเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันถ้าสร้างธรรมะขึ้นมาในจิตได้ก็บรรลุเป็นโสดาบันได้เหมือนกันทั้งนั้นเอาคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณสุชาดานะคะกลัวผีต้องทาอย่างไรเจ้าคะกลัวผีเหรอก็ต้องศึกษาว่า ผีมีกี่แบบ <c oughs> ผีนี่มีอยู่สองแบบผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงยิ่นเวลารู้สึกว่าถูกผีหลอกนี้ไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่จริงส่วนผีจริงนี้เขาจะไม่มาเสียเวลามาหลอกเราเพราะเขาไม่ได้อะจากการมาหลอกเราเขาไปตามไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปเขาไม่มายุ่งกับเรายั่นไม่ต้องกลัวผี ผีไม่มีวันที่จะมาทำร้ายทำลายเราได้สิ่งที่มาทำลายเราก็คือความหลงของเราเองที่สร้างผีขึ้นมาหลอกตัวเราเองวิธีที่จะปราบผีตัวนี้ก็คือต้องใช้พุทโธพอมันผีมาหลอกปั๊ก็พุทโธพุทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปเดี๋ยวผีมันก็จะหายไปผีจริงก็ไม่มาหลอกเราผีหลอกนี้ไม่จริงเราสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความคิดปรุงแต่ง นี่ยถ้านั่งอยู่นี่ตอนเย็นๆคนเดียวเดี๋ยวผีมาหาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มารับรองได้ตอนนี้คนเยอะเราอยู่คนเดียวปุ๊บเดี๋ยวมาแล้วเนี่ย <c oughs> นะนั้นเนี่ยเรียว่าผีผีหลอกไม่จริงนะผีจริงก็ไม่มาเสียเวลากับเราหรอกเขาไม่ได้อะไรจากเรา เขาต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาหรือถ้าเขาต้องการอะไรจากใครก็ไปหาคนที่เขาจะได้ประโยชน์เช่นไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่าหาพระอรหันต์ดีกว่าจะได้ธรรมะได้คําสั่งคําสอนที่จะทําให้เขาลดน้อยความทุกข์น้อยลงทําให้เขามีความสุขเพิ่มขึ้นยันนั้นไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวของเราเองที่หลอกเราเองด้วยความคิดปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นา เราก็ต้องปราบมันด้วยการใช้พุทโธด้วยใช้การสวดมนต์พอรู้สึกผีจะมาก็กรีบสวดมนต์ไปเลยพุทโธไปเลยแล้วผีมันก็จะถอยออกไปถอยออกไปเอาแล้วเนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต